กรรมเก่าของโสเพณีถามคนที่เป็นโสเพณีเนี่ยมีกรรมเก่าให้ต้องมาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตอบต้องแยกเป็นสองประเภทครับประเภทแรกคือสมัครใจเป็นโสเพณีอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีกรรมจากชาติไหนมาโดนใจ หรือสร้างสถานการณ์อย่างเช่นเห็นได้ชัดว่าปัจจุบันสาวๆสวยๆบางกลุ่มมีฐานะดีแต่ก็เป็นข่าวขายตัวหรือถ่ายหนังโป๊อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีกรรมในอดีตชาติที่บรรดาให้เป็นโสเพณีโดยตรงก็อาจมีกรรมทางอ้อมได้อยู่เช่นเคยเป็นพ่อแม่ที่ด่าลูกสาวเสียสียให้หายให้เจ็บใจทานองร่าน วันหนึ่งคงต้องไปขายตัวหรือเคยเป็นคนปากเสียกระทบกระเทียบนักบวชหญิงทำนองเป็นหญิงแพทย์สยาพวกนี้แม้เกิดใหม่ไม่ถูกส่งเข้าซ่องโดยตรงก็จะมีเหตุการณ์บีบให้คิดอยากเป็นโสเภณเีอยู่หลายวุ่เช่นเข้าตาจนทางการเงินมีคนเสนอให้เอากายเข้าแลกซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและการตัดสินใจในชาติปัจจุบัน ว่าจะยอมสู้ด้วยวิธีทางอื่นหรือเลือกวิธีขายร่างตามสถานการณ์พาไปสังคมปัจจุบันมองเซ็กและการขายตัวไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเหมือนโบราณนั่นจึงเป็นช่องเป็นโอกาสให้ผู้หญิงที่กำลังตกระกรรมลำบากยับยั้งชั่งใจน้อยลงหากไม่มีธรรมะและความเข้าใจเป็นภูมิคุ้มกันแต่แรกก็กล่าวได้ว่า ความยากจนในยุคนี้คือแรงดึงดูดทรงพลังให้ผู้หญิงเลือกอาชีพขายศักสีมากกว่าจะคิดต่อสู้เพื่อรักษามันไว้โซเพนีอีกประเภทคือไม่สมัครใจจะเป็นแต่ถูกล่อลวงมาหรือถูกพ่อแม่ขายอย่างเช่นที่มักมีข่าวขบวนการค้ามนุษย์แววมาถึงหูพวกเราเป็นประจำ อันนั้นก็เป็นกรรมเก่าที่เคยล่อลวงคนอื่นและเคยขายลูกขายเมียกินนั่นเองค่อนข้างตรงไปตรงมาครับไม่ซับซ้อนเคยขายคนอื่นเลยโดนขายมั่งเมื่อก่อนผมก็รู้สึกบาดเจ็บและเหมือนจะทนไม่ได้กับการเห็นความเหี้ยมโหดของกระบวนการค้ามนุษย์แต่เดี๋ยวเนี้ยพอรู้ชะตากรรมข้างหน้าของพวกเขาก็ปลงได้ เขาลูกนั่งอย่างไม่เป็นสุขกับคือแปลของบ้านเมืองไม่รู้ว่าวันไหนจะต้องเข้าสังเตรหรือถูกหญิงเป้าข้างหน้าที่ตามนุษย์มองไม่เห็นยังต้องโดนโทษทันในนรกที่สมน้ำสมเนื้อกับความเยี้ยมเกรียมของตนยิ่งไปกว่านั้นหากบุญยังพาวาสนายังส่งให้ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ต้องโดนอย่างที่เคยเคยทากับคนอื่น แล้วคนอื่นก็จะมานั่งสงสารแล้วรู้สึกบาดเจ็บแทนเขาเพียงเพราะไม่เห็นพฤติกรรมในหนหลังของเขาถ้ า, อ, าอ่านหรือฟังไปแล้วเกิดความสลดก็บอกตัวเองจะครับว่าคุณโชคดีมีวาสนาแล้วเพราะความสลดจะก่อความคิดเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกและความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก จะผลักคุณออกห่างจากทางโคจรอันเลวร้ายเหล่านี้ได้